เ็ดวิหาระการะสิกขาบทถามทรงบัญญัติสังฆาทิเศษเพราะการสร้างวิหารใหญ่เป็นปัจจัยณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงโกสัมพีถามทรงปรารพใครตอบทรงปรารบท่านพระฉันนะถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระฉันนะ แพ้่ฐานพื้นที่สร้างวิหารได้สั่งให้ตัดไม้รุกขเจดีต้นหนึ่งในวิหารการะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหกสมุดฐานละ